สิกขาบทที่สองิกษุนีโดยสารยานภาณะต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังโดยสารไปต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อโดยสารไปแล้วต้องอาบัตปาจิตตี